กายมนุษย์คือกายทิพย์ที่หยาบอันหนึ่งการที่จะเข้าใจว่าร่างกายของเราเอากกำเนิดมาจากวิญญาณของเรานั้นวิธีที่จะทำให้เข้าใจง่ายยังมีอีกอย่างหนึ่งกล่าวคือจงพยายามพิจารณาให้เห็นว่ากายมนุษย์ก็คือกายทิพย์ที่หยาบและโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าแม้ในจำพวกกายทิพย์ด้วยกัน ก็ยังมีความหยาบความละเอียดแตกต่างกันไปอีกเช่นโอปปปาติกะชั้นต่ำจะมีกายทิพย์หยาบกว่าโอปปปาติกะชั้นสูงและโอปปปาติกะบางประเภทก็มีกายละเอียดมากจนกระทั่งไม่มีรูปร่างปรากฏให้เห็นได้เลยไม่ว่าใครจะมีทิพยาจักู่สูงสักเพียงไรก็มองไม่เห็นโอปปปาติกะประเภทนี้ก็คืออรูปประพรม อันหนกายทิพย์จะหยาบหรือละเอียดประนีตเพียงใดปัจจัยสําคัญขึ้นอยู่กับสภาพของวิญญาณกล่าวคือถ้าหากวิญญาณของผู้ใดมีสมาธิสูงมีคุณธรรมสูงติดอยู่ในวัตถุน้อยกายทิพย์ที่เกิดจากวิญญาณประเภทนี้ก็จะละเอียดประนีตกว่ากายทิพย์ที่เกิดจากวิญญาณที่มีสมาธิต่ํากว่ามีคุณธรรมน้อยกว่าและยังติดอยู่ในวัตถุมาก ได้เคยกล่าวมาแล้วว่าวิธีศึกษาเรื่องกายทิพย์ที่จะให้เข้าใจง่ายก็คือพยายามศึกษาเรื่องความฝันในทางหลักวิชาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและพยายามพิจารณาให้เห็นว่าตัวตนที่เกิดขึ้นในความฝันก็คือตัวอย่างของกายทิพย์แต่เป็นกายทิพย์ที่ยังอ่อนอยู่มากเปรียบเหมือนเด็กทารกที่เพิ่งจะเกิดในท้องแม่เป็นทารกที่ยังไม่มีความสมบูรณ์การที่ตัวตนในความฝันไม่สมบูรณ ยังไม่มีชีวิตยังไม่มีประสาทที่ใช้การได้ก็เพราะเกิดจากอำนาจจิตที่มีกำลังน้อยส่วนกายทิพย์ของคนที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังจะตายหรือคนบางคนที่นอนหลับสนิทจนกระทั่งมีกายทิพย์เกิดขึ้นซึ่งสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้เหมือนกับโอปปาติกาทั้งหลายและถ้าไปเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรก็แปลว่าได้เห็นของจริงได้ยินของจริงไม่ใช่นึกฝันเอาเองนั้น ก็เพราะในขณะนั้นจิตมีกำลังสูงมากเนื่องจากไม่ถูกรบกวนจากสิ่งภายนอกและไม่ได้ถูกแบ่งหรือถูกใช้ไปในที่อื่นๆซึ่งผิดกับคนที่นอนหลับอย่างธรรมดาหลับไม่ค่อยสนิทหรือถึงแม้จะหลับสนิทแต่ก็ตื่นง่ายประสาทจะมีความไวต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกไม่ได้รวมกาลังกันอย่างแน่นแฟน้นและความรู้สึกส่วนใหญ่ก็กระจายอยู่ทั่วร่างกาย เพราะฉะนั้นอำนาจจิตจึงมีกำลังน้อยไม่พอที่จะสร้างกายทิพย์ให้มีชีวิตขึ้นมาได้โปรดจำหลักสั้นๆไว้ว่าถ้าใจเป็นอิสระจากร่างกายมากเพียงไรอำนาจจิตก็จะสูงมากขึ้นเพียงนั้นซึ่งอำนาจจิตนี้สูงได้มาตรฐานแล้วก็จะสามารถสร้างกายทิพย์ขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์คือเป็นกายทิพย์ที่มีชีวิตมีประสาทและสมองใช้การได้เหมือนกับกายเนื้อ